228. คัดค้านธรรมกายด้วยสิทธิและหน้าที่ตามธรรมอาตมาไม่ได้ตั้งตนเป็นศัตรูกับสํานักธรรมกายนะแต่พูดด้วยหลักวิชาเป็นวิชาการเพื่อการศึกษาในความเป็นศาสนาพุทธเพราะสํานักธรรมกายก็ประกาศตนว่าเป็นพุทธอาตมาก็ขอยืนยันว่าอาตมาก็เป็นพุทธ ที่ต้องแสดงความรับผิดชอบในความสุจริตนี้ซึ่งเป็นสิทธทิมนุษยชนและหน้าที่ของชาวพุทธแท้ๆที่ต้องทำแม้อาตมาจะเป็นนานาสังวาดกับสำนักธรรมกายอาตมาก็มีสิทธิ์ที่จะนิกหะตำหนิถึงหรือคัดค้านตามธรรมะได้ถึงขั้นปฏิโกศนาคือคัดค้านได้อย่างแรงถึงสี่สุดในความถูกความผิด ก็ด้วยปากพูดด้วยทางเผยแพร่มุคคสตีเท่านั้นจะแรงจะร้ายถึงขั้นทิมแทงก็เป็นแค่หอกปากตามที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ซึ่งคู่นานาสังวาดกันจะไปทำอธิกรเป็นเรื่องเป็นคดีไม่ได้ทําได้แค่ปฏิโกศนาได้แค่ประกาศต่อประชาชนต่อมนุษยชาติทั้งหลายทั่วไปเท่านั้น จะปฏิเสธส่วนที่ไม่ถูกต้องจะคัดค้าเรื่องที่ผิดก็ทำได้เต็มที่ศัพทิชาการเรียกว่าปฏิกโกษนาส่วนหน้าที่ของผู้มีสิทธิยิ่งกว่าอาตมาย่อมมีแน่นอนที่จะต้องจัดการกับผู้ทำความเสื่อมเสียร้ายแรงนี้ให้แก่สถาบันศาสนาซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งในสของชาติไทย ซึ่งมาถึงทุกวันนี้อาจจะมาเห็นว่าสานักธรรมกายได้ประพฤติผิดร้ายแรงยิ่งแล้วทำความเสื่อมเสียมาสู่สถาบันศาสนาอย่างเร็วแรงอย่างไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์มาก่อนถ้าไม่รีบจัดการระงับความเลวร้ายนี้เสียแต่บัดนี้ ความเสื่อมเสียเลวร้ายจากลุกลามเป็นผลกระทบต่อชาวไทยที่เป็นเมืองพุทธทั้งประเทศเพราะคนไทยนับถือพุทธถึง 95% หเรซหรือคนไทยนั้นมีศาสนาพุทธมาตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาจนบัจจุบัซึ่งผลกระทบจากกรณีธรรมกายนี้เห็นชัดได้ว่าพาเสื่อมเสียทั้งทา ง, ทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านการเมือง